บัรนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปจะได้กล่าวในเรื่องของนิวรข้อต่อไปในการศึกษาให้รู้และวิธีแก้นิวร์นั้นทรงแสดงไว้เป็นขั้นตอนไปตามลำดับดังนี้ หเมื่อนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งฟังเกิดขึ้นก็ให้รู้สองเมื่อนิวรณ์ข้อนั้นยังไม่เกิดและจะเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีใดก็ให้รู้สนิวรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละได้ด้วยด้วยวิธีใดก็ให้รู้วิธีละนั้นหนิวรณ์ที่ ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นอีกด้วยวิธีใดเขาให้รู้วิธีนั้นซึ่งเป็นปัญหาที่ละเอียดอันต้องอาศัยสติและสัมมชัญญาเป็นอุปการะอย่างสำคัญมากเพราะแต่ละอย่างก็เป็นเรื่องของนามธรรมล้ว น, วนหากว่าขาดความระลึกรู้ ัทนท่วงทีแล้วก็อาจจะไม่ก่อให้เกิดผลดีในการทำความสงบให้แก่จิตใจได้นิวรข้อที่สได้แก่ถีนมิทะแปลว่าความง่วงเหงาหาวนอนซึ่งเป็นอาการที่เกี่ยวเนื่องมาจากกายเป็นหลักสำคัญแล้วก่อผลออกมา ในทางจิตใจด้วยลักษณะของถีนมิทานิวอนันก็คืออาการของจิตที่เสื่องซึมงอยเงาสับปง่งงบเบื่อหน่ายคลานกายคลานใจปรากฏขึ้นไม่ว่าจะทำงานอะไรอยู่ก็ตามเมื่อลักษณะเช่นนี้ปรากฏขึ้นแล้วก็ย่อมจะ ทำให้บุคคลผู้นั้นขาดความเป็นตัวของตัวเองคือไม่สามารถทำกิจการงานเหล่านั้นให้เป็นไปด้วยดีได้ดังนั้นท่านจึงอุปมาถีนมิทะไว้ว่าเหมือนกับคนที่ติดคุกธรรมดาว่าคนที่อยู่ในคุกนั้นขาดอิสรภาพในตัวเอง การกระทาความเป็นอยู่ตลอดถึงกิจการงานต่างๆจะต้องจะต้องกระทาไปตามอำนาจคำสั่งการควบคุมบังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่เรือนจำฉันใดจิตใจของบุคคลที่ถูกถีนมิถานิวรครอบงำก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันฉะนั้นคือจะเป็นไปด้วยอำนาจของความง่วงนอน ความซึ้งซึมความเหนื่อยหน่ายความคลานกายคลานใจอยู่เรื่อยไปแล้วแต่ลักษณะของธีนมิทรที่บงังเกิดขึ้นแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือว่าไม่เป็นอิสระแก่ใจของตนเองเช่นเดียวกับคนที่ติดคุกเช่นั้นอะไรเป็นเหตุเกิดของธีนมิทรนิวนีวอ เหตุเกิดของถีนมิธาณิวอนั้นมีหลายประการด้วยกันเพราะเป็นอาการที่เกี่ยวเนื่องกันทั้งทางกายและทางจิตดังที่ได้กล่าวแล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงแสดงว่าเหตุเกิดของถีนมิธาณิวอนั้นได้แก่อรติคือความไม่ยินดีให้สังเกตว่า จะทำงานอะไรก็ตามถ้าไม่มีความยินดีแล้วในที่สุดจิตใจก็จะเฉยเฉยไม่พร้อมที่จะทำการงานนั้นๆอย่างสำนวนที่ชาวบ้านเขาพูดกันโดยทั่วๆไปว่าฟังเทศง่วงนอนดูหนังดูละครตาสว่างทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าคนจึง่วงนอนเมื่อฟังเทศนั้น แสดงว่าใจยังไม่ยินดีในธรรมะจึงเกิดถีนมิทะขึ้นครอบงาใจแต่ก็ไม่ใช่ข้อยุติว่าคนฟังเทศแล้วจึงง่วงนอนเพราะคนบางคนสามารถฟังเทศได้ด้วยตาที่สว่างจิตใจที่เพลิดเพลินอยู่ในธรรมะนี้ก็แสดงว่าเขามีรัติคือความยินดีในธรรมะอยู่ ประการที่สองเรียกว่าตันติคือความครันได้แก่ภาวะเฉยซึ่งเกิดขึ้นที่ร่างกายและจิตใจของบุคคลจะเห็นว่าอิริยาบทต่างๆของบุคคลที่อยู่ในภาวะเฉยขาดความคล่องแคล่วขาดความเคลื่อนไหวที่ทำให้ร่างกายได้ตื่นตัวในที่สุด สสมกันมากเข้าเพิ่มพูนกันมากเข้าก็าไปบังคับกายใจง่ายง่วงนอนซื่องซึมงอยเเงาไปประการที่สามเรียกว่าวิชามปิตาคืออาการบิดเบือนมีหน้าที่จะต้องทำอย่างใดอย่างหนงแต่ก็ไปบิดเบือนเสียในลักษณะอย่างใดอย่างหนง อย่างสำนวนที่ใช้คำว่าบิดขี้เกียจเช่นโอกาสที่จะลุกขึ้นตื่นนอนมาทำงานแล้วก็ไปมัวบิดเบือนไปอ้างอิงเวลาอย่างเช้าอยู่เป็นต้นแล้วไม่ยอมลุกขึ้นมาจากที่นอนเมื่อมีการบิดเบือนได้แล้วก็สำเร็จเช่นนั้นไปป่อยข้า มันก็เข้าไปสู่อำนาจของมานในที่สุดก็สร้างความเคยชินขึ้นมาคือบิดเบือนเรื่อยเมื่อบิดเบือนเรื่อยไปความง่วงนอนก็ติดตามมาและหลับไปในที่สุดเพราะฉะนั้นในลักษณะของการประพฤติปฏิบัตินั้นผู้ปฏิบัติจะต้องรู้ลักษณะที่ปรากฏขึ้นดังกล่าวแล้ว ว่าเป็นอาการของมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออาการที่บิดเบือนนั้นความรู้สึกของผู้บิดเบือนจะมีคล้ายๆกับว่าปรารถนาหวังปรารถนาดีหวังดีต่อตนเองหรือเกินกลัวสุขภาพกายสุขภาพจิตของตนจะเสื่อมต้องการในได้พักผ่อนมากมากห ล, ล, ลับนอนมากๆเป็นต้น ซึ่งทางศาสนาเรียกว่าชับป่าคือถูกมานของกระซิบเตือนแล้วคนก็จะเพลินไปกับคำกระซิบของมานเหล่านั้นในที่สุดก็เป็นภาวะที่เคยชินคือบิดเบือนได้เรื่อยไปประการต่อไปนั้นท่านใช้คำว่าพัตตสัมมธะคือเมาอาหารได้แก่การที่บุคคลบริโภคอาหาร มากเกินพอดีทำให้ร่างกายหนักไม่พร้อมที่จะทำงานอย่างที่พูดกันว่าหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนดังนั้นในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจึงทรงเน้นในเรื่องการบริโภคอาหารไว้ทั้งในส่วนของวินัย และในส่วนของธรรมะเพื่อจะควบคุมใจของผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปสู่อำนาจของถีนมิทานิวนัตข้อที่ห้านั้นท่านใช้คำบาลีว่าลีในจิตตคือจิตใจที่หดหู่ไม่พร้อมเป็นลักษณะเหนื่อยหน่ายไม่อาจฐานเรื่นเริง ในหน้าที่ในกิจการงานต่างๆอาการเช่นนี้เมื่อเกิดไปบอดเข้าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามก็จะจบลงด้วยง่วงนอนแล้วก็หลับไปจะเห็นได้ว่าเรื่องของถีนมิทธะจึงกลายเป็นปัญหาที่ออกเกี่ยวสำคัญมากเหตุเกิดมีถึงห้าข้อล้วนแล้วแต่สำคัญด้วยกันทั้งนั้น และที่สำคัญก็คือว่าทั้งกายทั้งจิตมันเกี่ยวเนื่องถึงกันบางการบางครั้งอาการที่ง่วงนอนนั้นเกิดขึ้นมาจากกายเช่นม้าอาหารบางครั้งก็เกิดขึ้นจากจิตคือความไม่ยินดีบางครั้งก็ปนกันคือคลานกายคลานจิตบิดเบือนเหล่านี้ดังนั้นทรงสอนให้รู้ ว่าแต่ละอย่างนั้นเป็นเหตุให้เกิดทีนมิธะคือความง่วงนอนซึ่งซึมเงาด้วยกานทั้งนั้นและประการต่อไปก็ให้รู้ว่าทีนมิทะนิวรที่เกิดขึ้นแล้วเช่นนั้นสามารถจะละได้ด้วยวิธีใดก็ให้รู้วิธีนั้น วิธีละถีนมิทะนิวรณ์ปรากฏว่ามีการสแสดงไว้เป็นนัยยะต่างๆเพราะว่าในสมัยพุทธกาลเองพระขนาดพระโมคคัลลานาถระเจ้าบวชมาก็ยังนั่งสะโ ง, งกอยู่พระพุทธเจ้าต้องเสด็จไปแก้ปัญหาเรื่องถีนมิทะจึงมีอุบายวิธีไว้เป็นอันมากสำหรับแก้ โดยในยะหนึ่งนั้นท่านบอกว่าให้สังเกตการบริโภคพัตตาหารท่านใช้คำซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าเมื่อบริโภคอาหารไปเห็นว่าอีกสีห้าคำจะอิ่มก็ให้หยุดแล้วดื่มน้ำ เท่านี้ก็เป็นการเพียงพอแล้วสำหรับผู้ปรารบความเพียรการบริโภคอาหารในลักษณะนี้ทางวินัยด้วยทางธรรมะด้วยได้แสดงหลักในการปฏิบัติเอาไว้เป็นขั้นตอนไปเพื่ออะไรเพื่อจะคุมใจไม่ให้ บริโภคอาหารจนอิบมากเกินไปในชั้นแรกก็ให้พิจารณาถึงลักษณะของอาหารที่นำมาหล่อเลี้ยงร่างกายให้เห็นว่าเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดด้วยประการต่างๆการที่ต้องบริโภคนั้นก็เพื่อยางอัตภาพให้เปลี่ยนไปกระจัดความผิวเก่าป้องกันความผิวใหม่ ให้ร่างกายเจริญเติบโตมีกําลังประกอบภ า, ภารกิจการงานของตนได้เท่านั้นไม่ใช่เป็นการบริโภคเพื่อเล่นเพื่อสนุกเพื่ออเดตอรอยเพื่อแสดงสถานะอะไรของตนทีนี้พอมาถึงในขั้นของเงื่อนต่อระหว่างวินัยกรรมะก็ทรงแสดงว่า ให้มีโพชเนมัตตันอยู่ตา ah. คือรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารไม่ให้มากเกินไปและไม่ให้น้อยเกินไปคือหมายความว่าให้บริโภคอาหารพอเพียงแก่วัตถุประสงค์ในการดำรงชีวิตดังที่ได้กล่าวแล้วเพราะถ้าบริโภคอาหารจนอิ่มมาจากข้าว เวลาไปเพิ่มของหวานเพิ่มน้ํำข้าวมันก็เกินอิ่มไปและในที่สุดก็กลายเป็นเมาอาหารทินามิทะนิวอนก็มาเกิดขึ้นแต่ว่าการบริโภคอาหารต้องมีข้อแม้ว่าไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปเพราะยังไงยังไงชีวิตของคนก็อยู่ได้ที่อ ถ้าอาหารน้อยเกินไปทุกขเวทนาจะเกิดขึ้นที่กายทีนมิทานิวร์ไม่เกิดครอบงำจริงแต่ว่าอุทธะจักกุกุจนิวร์คือจิตฟุ้งซ่านและรำคาญก็จะบังเกิดขึ้นคือจะไปเจอนิวร์เข้าทั้งสองฝ่ายไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งหลักการปฏิบัติที่เรียกว่าเป็นมัชิมาคือ่าำกลางจึงต้องใช้ในที่ทุกสถาน และนอกจากนั้นยังได้สอนให้รู้จักประมาณรู้จักชนิดของอาหารที่เรียกว่าเป็นสัปปายะคือบริโภคไปแล้วอำนวยความสบายให้บังเกิดขึ้นอย่างที่เคยกล่าวมาในส่วนของสัปปายะเมื่อบุคคลมีการสังเกตพินิจพิจนรณาการบริโภคอาหารและควบคุมไว้เช่นนี้ คือไม่มากไม่น้อยจนเกินไปร่างกายนั้นอยู่ในสภาพพร้อมที่จะบำเพ็ญเพียรทางจิตและจิตก็จะไม่ตกไปในฝ่ายของถีนมิทธะและฝ่ายหรือฝ่ายของอุจจจากุกุจจะประการต่อไปนั้นให้รู้จักพลัดเปลี่ยนวิริยาบท ในกรณีที่ความง่วงครอบงามมากท่านก็ใช้คําว่าให้มีปรกกระมัคือความบากบัตรคือรีบเร่งทําการงานนั้นให้มีความเคลื่อนไหวจริงๆจังจังทั้ ง, งทา ง, ทา ง, ทางกายและทางจิตใจมีอารพะความริเริ่มในกิจการงานให้สูงขึ้นแล้วก็ให้ กายจิตของตนนั้นอยู่ด้วยความเพียรพยักดังนั้นจะสังเกตเห็นได้ว่าในการปฏิบัติกรรมฐานที่แท้จริงนั้นจึงไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ในอิตยาบทอะไรโดยเฉพาะในส่วนของสมถะนั้นเน้นไปที่ความส ง, งบจากนิวรธรรมทั้งหลาย ดังที่กล่าวแล้วในส่วนที่เป็นวิปัสนาเน้นไปที่การใช้ปัญญาแยกนามแยกรูปได้ปล่อยวางความยึดถือได้อริยาบททุกอริยาบทจึงสามารถใช้ไปเพื่อกรรมฐานได้ดังนั้นในการนั่งกรรมฐานจึงมีการเดินจงกรมเพื่ออะไรเพื่อผลัดเปลี่ยนอริยาบทด้วย พระจะนั่งกรรมาฐานอยู่ตลอดไปเป็นชั่วชั่วโมงนั้นหรือหลายๆชั่วโมงเป็นไปไม่ได้นอกจากว่าความปวดเมื่อยจะบังเกิดขึ้นทําให้กายจิตกระสับกระสายแล้วบางคราวก็าอาจจะเกิดถีนมิตะขึ้นมาครอบงาใจซึ่งแต่และอย่างก็เป็นนิวรณ์ดังนั้นจึงทรงสอนให้เดินจงกรมการจงกรมนั้น บางคราวท่านใช้กรรมฐานอีกข้อหนึ่งที่เรียกว่าอิริยาบถ ป, ะะปะะัปปะซึ่งเป็นเรื่องของการเจริญกายานุปัสนาสติปัฏฐานเช่นเดียวกันแต่หมายความว่าในขณะที่เดินจงกรมนั้นแทนที่จะไปกำหนดลมก็ให้กำหนดดูอิริยาบถของตนคือรู้ทันอิริยาบถ ท, ที่ก้าวไปถอยกลับ เป็นต้นแต่ส่วนมากแล้วท่านเน้นไปที่สัมปชัญญปะปปะคือว่าให้รู้อิรียบทุทกอิรียบ ท, ที่เคลื่อนไหวไปไม่ว่าจะคู่แขนเหยียดแผนแขนก้าวไปถอยกลับเป็นต้นก็ให้ระลึกรู้ไปตามอิรียบทเราแตนแต่ถ้าหากว่าบุคคลมั่นอยู่ในอารมณ์ ของอนาปานสติกรรมฐานก็ใช้หลักของการภาวนาพุทโธคือหมายความว่าจะไปกำหนดลมหายใจข้าออกในขณะเดินนั้นกำหนดได้ยากแต่อาจจะกำหนดไม่ได้เลยเพราะว่าอิทิยาบทเราต้องเดินอยู่ก็ให้ใช้คำภาวนาพุทโธพุทโธไป โดยไม่เกี่ยวว่าจะต้องไปรู้ทเท้าเหยียบย่างอะไรต่อะไรอย่างที่ปฏิบัติกันก็ให้ใจสงบอยู่ในส่วนนี้คือสรุปว่าจะใช้กำหนดรู้อิริยาบถสี่หรือว่าทุกอิริยาบถหรือภาวนาพุทโธหรือแม้แต่มนสิการถึงกรรมฐานข้ออื่นในขณะที่เดินกรรมฐานอยู่เดินจงกรมอยู่นั้น ก็เป็นการบันเทาถีนามิทานิวรณ์ได้และเมื่อปฏิบัติไปจนถึงจุดต่างๆนั้นเรียบทก็ต้องเปลี่ยนด้วยไปอย่างที่ทรงแสดงแก่พระโมกคลนาเทระในคราวที่ท่านบำเพ็ญเพียรแล้วก็เกิดความงุวงเขาครอบกร่นั้นก็ทรงแนะให้มนสิการในกรรมฐานนั้นมากขึ้น เช่นกำลังเจริญอนาปานสติอยู่แล้วเกิดง่วงก็ให้กำหนดจิตอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกให้สูงขึ้นถ้ายังไม่หายง่วงก็อาจจะท่องบทสวดอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาถ้ายังไม่หายอีกก็อาจจะเอาน้ำ มารูปหน้ารูปตัวหรือเอาอะไรมายอนหูหรือถ้ายังไม่หายอีกก็ลุกขึ้นเดินเปลี่ยนอิยาบททางที่กลางแล้วแล้วถ้ายังไม่หายก็ให้เดินจงกรมไปๆมาๆจนถึงจุดหนึ่งเมื่อเพียรพยายามไปก็ยังไม่หายก็ให้กำหนดนอนด้วยสีหะสายาา คือนอนตะแขงขวาซ้อนเท้าเหลื่อมกันเป็นการพักกำหนดใจว่าจะลุกขึ้นแต่พอลุกขึ้นพอตื่นต้องรีบลุกขึ้นถ้าหากว่าตื่นแล้วยังไม่ยอมลุกขึ้นก็จะกลายเป็นวิชามปิตาคือบิดเบือนอย่างที่ว่ามาแล้วจะจะสร้างความเคยชินให้แก่ตนเองกลายเป็นไม่ยอมลุกขึ้น แล้วในที่สุดก็แก้ทางของอารมณ์ไม่ได้ในข้อต่อไปนั้นท่านแนะให้มีความรู้สึกที่เรียกว่าอารม ก, กสัญญาคือมองให้เห็นเป็นความสว่างสร้างความรู้สึกว่าในขณะนี้ตนอยู่ในที่สว่างเป็นเวลากลางวันไม่ใช่เป็นเวลากลางคืน ไม่ใช่เป็นเวลานอนแต่เป็นเวลาทำงานหลักอย่างนี้ท่านใช้คำว่าปรึกษากรัชกายคือเตือนตนเองเป็นลักษณะสอนตนเองเตือนตนเองตามหลักของศาสนาที่ว่าจงเตือนตนด้วยตนจงพิจารณาตนด้วยตนจงวินิจฉัยตนด้วยตนแล้วตัดสินตนด้วยตน โดยไม่จำเป็นจะต้องให้ใครไปแนะนำว่ากล่าวตักเตือนอะไรเพราะหลักประญญาที่ได้ฟังได้อ่านได้ศึกษามานั้นมีมากพอที่จะชี้ข้อบกพร่องแก้ไขความผิดพลาดที่บังเกิดขึ้นแก่ตนเองได้และเมื่อสร้างความรู้สึกไว้อย่างนี้เตือนตนอยู่เช่นนี้ ก็สามารถที่จะแก้ไขความง่วงไปได้แต่ท่านผู้ฟังได้โปรดสังเกตว่าวิธีที่ท่านแนะเอาไว้แต่ละวิธีนั้น mm. ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้วิธีไหนและอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามเหมาะตามควรแก่โอกาสนั้นนั้นแต่ที่จะต้องใช้ร่วมกันทุกวิธีก็คือว่า การสังเกตการบริโภคพัฒตาหารของตนพวกนี้จะต้องใช้ตลอดไปส้ามบผู้บำเพ็ญเพียรทางจิตส่วนข้ออื่นนั้นเปลี่ยนแปลงยักย้ายให้เหมาะให้ควรไปได้เภประการต่อไปนั้นคือสับการไดการไดกัลยาณมิตร เรื่องของการยานามิตรอย่างที่เคยบอกไปเพื่อวันก่อนว่าพระภูมิพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าเป็นตัวพรหมจันทร์คือเป็นตัวนำให้บุคคลประพฤติปฏิบัติเพื่อความเป็นผู้ประเสริฐจนถึงขสูงสุดตัวการยานามิตรจึงถือว่าไม่มีอุปการคุณ ไม่ว่าจะในด้านที่เป็นบุคคลหรือในด้านที่เป็นธรรมก็ตามท่านใช้คำว่าปุคละสปายะคือคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องร่วมประพฤติธรรมร่วมปฏิบัติธรรมร่วมสนทนากันอยู่นั้นจะต้องเป็นการยาณมิตรที่บอกประโยชน์ให้มีความมนุเคราะห์มีจิตคิดเอ็นดูมุ่งหวังสงเคราะห์เกื้อกูลเก่ตตนเป็นหลักจุ ไม่ใช่เป็นคนที่จะชักนำไปในทางที่เสื่อมเสียชวนให้เกิดความง่วงนอนเคลิบเคริม้มหรือชวนให้เพิ่มนิวรธรรมขึ้นภายในจิตใจของตนและประการต่อไปคือสัปปายะกถาได้แก่เรื่องที่นำมาสนทนากันนั้นจะเป็นเรื่องที่เพิ่มพูน กระตุ้นเตือนจิตใจของตนให้เกิดความอาจานให้เกิดความเชื่อมัน่นให้เกิดความเคารพในตนเองสูงขึ้นสามารถใครจัดลักษณะต่างๆของอุทจฉของถีนมิทะที่กล่าวแล้วออกไปได้อย่างท่านกล่าวถึงบัณฑิตสามเณรที่ตามพระสารีบุตรเถระออกไปบินถ่าย ไปเห็นชาวนาไหน้าขานำข้าวนาช่างสอนดัดลูกศอนช่างถากถากไม้ท่านก็เรียนถามไปเรื่อยภาษาริบุตรก็บอกท่านก็ถามว่าน้ำนั้นมีชีวิต จ, จิตใจไหมธิบุตรก็บอกไม่มีหรอกลูกศรมีชีวิต จ, จิตใจไหมก็บอกว่าไม่มีไม้นั้นมีชีวิต จ, จิตใจไหมก็บอกไม่มีเช่นเดียวกัน ท่านก็เกิดได้ความคิดว่าขนาดน้ําไม่มีชีวิตจิตใจไม่มีความคิดลูกศรไม่มีชีวิตจิตใจความคิดไม้ไม่มีชีวิตจิตใจไม่มีความคิดแต่ว่าคนสามารถทดน้ำเข้านาไปใช้ประโยชน์ได้สามารถตัดลูกศรให้ตรงได้สามารถทาให้เป็นวงล้อให้เป็นกรงให้เป็นกรรมของรถต่างๆเป็นต้นได้ ก็ทำไมล่ะเราซึ่งมีชีวิตจิตใจเป็นบุคคลมีสติปัญญาพร้อมจะฝึกตนจะทรมานตนจะดัดจิตใจของตนให้ตรงต่อหลักธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้พอตัดสินใจเช่นนั้นแล้วก็ลาอุปชายากลับไม่ยอมบิดาบัดกลับมาถึงก็นั่งกรรมฐาน แล้วก็เริ่มบำเพ็ญเพียรด้วยจิตใจที่มีความเชื่อมั่นมีความหนักแน่นมั่นคงประกอบด้วยความไม่ประมาทมีความเพียรที่แน่วแน่และเจ็ดจำนวงที่มั่นคงในที่สุดก็สามารถบรรลุมรรคผลไปได้เพราะงั้นเรื่องสัปปายะกะถาคือกะถาที่สบายนั่น เป็นอุปการธรรมที่จะค้าจุนบุคคลกรอตุ้นเร่งเราให้เกิดฉันทะอุตสาหะที่จะบำเพ็ญเพียรพยายามเพื่อผลที่ตนจำนวนบังซึ่งบางคราวอาจจะไม่ค่อยไพเราะเท่าไรแต่เป็นคำว่ากล่าวตักเตือนที่สมเหตุสมผลก็เป็นตัวการสำคัญที่จะกระตุ้นเตือนให้คนได้เกิดความสำนึกดังที่กล่าวแล้ว เพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหกประการที่กล่าววันนี้เป็นตัวใครจัดนิวรที่บังเกิดขึ้นภายในชีวิตของตนไม่ว่าจะในขณะปฏิบัติกรรมฐานหรือในโอกาสอื่นๆก็ตามส่วนการระ ง, งับดับนิวร์ในชั้นเป็นผลของสมาธินั้นจะได้กล่าวในโอกาสต่อไป ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสุข